12. ไตรสิกขา 1. ผู้ปฏิบัติต้องเรียนไตรสิกขาคือศีลและสิกขาในวงเล็บเรียนรู้เรื่องศีลจิตตะสิกขาในวงเล็บเรียนรู้เรื่องจิตและปัญญาสิกขาในวงเล็บเรียนรู้ในเรื่องปัญญาศีลเกิดขึ้นไดจากการมีสติเป็นผลให้มีหิหริในวงเล็บความละอายต่อบาปและโอตะปะในวงเล็บความเกรงกลัวต่อบาป จิตสิษยาเรียนเรื่องจิตว่าจิตอะไรใช้ทาสมถะจิตอะไรใช้ทาวิปัสนาจิตอะไรใช้ไม่ได้จิตอะไรเป็นกุศลจิตอะไรเป็นอกุศลต้องเรียนให้รู้หลักนักปฏิบัติมักสร้างจิตอกุศลขึ้นมาแล้วคิดว่ากำลังสร้างกุศลอยู่จึงต้องรู้จักสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ไหลไปแช่ที่กายและทัพหรืออารมณ์เมื่อจิตมีสัมมาสมาธิ จะเปลี่ยนจากผู้กระทามาเป็นผู้สังเกตการแบบไม่มีส่วนได้เสียเห็นทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวปัญญาสิกขาคือเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรัก 2. บทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนมีสีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาแต่เราลืมเรียนจิตตสิกขาไม่เรียนเรื่องจิตอยากรู้กายรู้ใจแต่ละเลยที่จะเรียนลักษณะของจิต เราเลยไม่รู้ว่าจิตอย่างไรเป็นกุศลจิตอย่างไรเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลมันจะหนักส่วนจิตที่เป็นกุศลมีละหุตามันจะเบามีมุทุตานุ่มนวลจิตอกุศลจะแข็งกระด้างจิตที่เป็นกุศลไม่ถูกนิวรในวงเล็บกิเลสครอบงำควรแก่การงานใช้งานได้ดีในวงเล็บกรรมัญญตาจิตอกุศลจะถูกกิเลสครอบงำ จิตที่เป็นกุศลมีปาคู่ยันตาคล่องแคล่วว่องไวจิตอกุศลจะซึมๆมทื่อจิตที่เป็นกุศลมีอุชุ ก, กตารู้อย่างซื่อตรงไม่เข้าไปแทรกแซงจิตที่เป็นอกุศลจะชอบเข้าไปแทรกแซงแทรกแซงทั้งจิตแทรกแซงทั้งอารมณ์เช่นจิตไม่นิ่งก็สั่งให้นิ่งนี่เข้าไปแทรกแซงแล้วแทรกแซงอารมณ์เช่นโกรธก็พุทโธพุทโธโกรธเนาะโกรธเนอะ ก, กะจะไล่ความโกรธไป แทรกแสงนะให้พวกเราสังเกตเวลาปฏิบัติถ้าใจของเราหนักๆขึ้นมาใจของเราแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆขึ้นมาขณะนั้นอกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วอาจจะปฏิบัติจนตกนรกก็ได้เพราะปฏิบัติ ด, ด้วยอกุศลจิตพอกพูนอกุศลจิตตลอดเวลาปฏิบัติแล้วเครียดๆนี่เราคิดว่ากุศลความเครียดหรือความทุกข์ในใจเรามันเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตเท่านั้นเกิดร่วมกับอกุศลเท่านั้น ถ้าปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทำผิดแน่นอนไม่ใช่ว่าทนดันทุรังทำไปเรื่อยจนเพี้ยนเราต้องรู้ว่าจิตแบบไหนใช้ทำสมถะจิตที่เพ่งตัวอารมณ์วงเล็บเปิดเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานวงเล็บปิดใช้ทำสมถะส่วนจิตที่ทำวิปัสสนาต้องไม่เพ่งแต่รู้ตัวมีสติตลอดดังนั้นจึงต้องแยกให้ออกว่ารู้และเพ่งต่างกันอย่างไร จิตที่มีสติเกิดขึ้นเองมีความสุขขึ้นมาคือจิตที่เป็นกุศลที่เราใช้เจริญปัญญามีสมนัตบ้างอุเบกขาบ้างประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิดมีจิตเพียงสองดวงเท่านั้นที่ใช้เจริญวิปัสสนาในภูมิของมนุษย์แต่ผู้ปฏิบัติส่วนมากไปเอาจิตในพรมโลกที่เพ่งนิ่งๆมาทาวิปัสสนาซึ่งใช้ไม่ได้ 3. การเรียนธรรมะเราเรียนข้ามขั้น เราถือศีลเรามีศีลและสิกขาเราไปเจริญวิปัสสนากำหนดรูปนามเลยเราข้ามจิตสิกขาไปบทเรียนหนึ่งดังนั้นถ้าเราไม่เรียนจิตสิกขาให้ถ่องแท้เสียก่อนจิตจะไม่มีสัมมาสมาธิจิตจะไปเพ่งรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นพวกเราเรียนข้ามขั้นสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้วิธีที่ทำให้จิตจำสภาวะได้เบื้องต้นให้หากรรมาฐานขึ้นมาสักอันหนึ่ง ใครเคยพูดโทก็พูดโทไปเคยเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปใครเคยขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนก็ทําไปแต่ไม่ได้ทําเหมือนที่เคยทําที่เคยทําส่วนใหญ่จะไปเพ่งรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้มือก็เพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นแต่แทนที่เราจะไปเพ่งให้จิตนิ่งเราก็แค่รู้สึกในอารมณ์นั้นมีอารมณ์นั้นเป็นเครื่องอยู่เรียกว่าวิหารธรรม แล้วคอยรู้จิตใจของตัวเองไปเช่นเราบริกรรมพุโทโธใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดพุดโทโธพุโทโธใจสงบลงมารู้ว่าใจสงบพุโทโธแล้วซึมซึมรู้ว่าซึมซึมต่อไปใจเราแอบไปคิดสติจะเกิดเองเพราะมีเหตุคือจิตจำสภาวะได้ไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตามีเหตุจึงจะเกิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทาเหตุให้เกิดสติ ทำกรรมฐ า, านสักอันหนึ่งเช่นดูลมหายใจให้หายใจออกก่อนหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู C ้ว่าหายใจเข้าใจผ่อนคลายรู้ว่าใจผ่อนคลายหายใจแล้วจิตไปคิดก็รู้ว่าจิตหลงไปคิดไหลไปเกาะนิ่งๆกับลมหายใจก็รู้ว่าไปเพ่งลมหายใจหายใจแล้วมีปิติก็รู้ว่ามีปิติมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วจิตมีอุเบกขาก็รู้ว่ามีอุเบกขา หายใจแล้วรู้ทันจิตไปต่อไปจิตมันเคลื่อนไหวมันรู้สึกอะไรสติก็จะเกิดอัตโนมัติเมื่อสติเกิดก็พัฒนาสัมมาสมาธิเพื่อให้ใจตั้งมั่นเป็นกลางมีสองวิธีวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ทำชานได้ก็ทาชาญไปพอจิตถึงฌานที่สองจะเกิดสภาวะธรรมอันหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะสภาวะที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอออกจากสมาธิ ตัวกำลังของสมาธิจะหนุนให้ผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นอยู่ได้อีกช่วงยาวๆเราจะเห็นเลยว่ากายเวทนากุศลอกุศลเป็นของถูกรู้อะไรๆก็เป็นของถูกรู้จิตผู้รู้อยู่ตั้งหากนี่คือเส้นทางหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับผู้ทําฌานไม่ได้เวลาจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตมันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองถ้าจิตไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเวลารู้สึกตัวใจจะเป็นกลางโลง่งๆว่างๆจะตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่จิตของคนเราจะไหลออกไปข้างนอกดูใครต่อใครแล้วลืมตัวเองครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกอีกพวกหนึ่งนักปฏิบัติเพ่งเข้ามาภายในใจหลวงปู่เทศเรียกว่าส่งใน จิตที่เป็นสัมมาสมาธิจะตั้งมั่นเป็นกลางสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ส่งนอกไม่ส่งในและตั้งอยู่ได้โดยไม่บังคับสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่พวกเราพลาดมากที่สุดเพราะพวกเราคุ้นเคยกับมิจฉาสมาธิสมาธิที่เพ่งเอาเราไม่คุ้นเคยกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เราคุ้นเคยแต่กับสมาธิที่จิตไปตั้งแช่อยู่ในตัวอารมณ์จิตที่ไปตั้งแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน เช่นการทำสมถะเวลาเราดูท้องพองยุบแล้วจิตไปเกาะที่ท้องดูลมหายใจแล้วจิตไปเกาะที่ลมหายใจเมื่อจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเกิดแล้วปัญญาถึงจะเกิดได้เพราะปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่เกิดจากการคิดปัญญาที่เกิดจากการคิดเรียกว่าจินตามายปัญญาไม่ใช่ภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาเกิดจากจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู เป็นปรากฏการ์ทั้งหลายปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปเห็นสภาวะแต่ละปรากฏการ์ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิ้นเห็นอย่างนี้ถึงจะเป็นปัญญา 4. 20ยี่สิบกันยายน2550ในวงเล็บ 1. จุดจุดนาที8บทเรียนของจิตที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือบทเรียนที่เรียกว่าจิตสิกขานั่นเองทำอย่างไรจิตเราจะรู้จะตื่นจะเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดู มีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเป็นกุศลไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะรู้ทุกสิ่งอย่างซื่อตรงไม่แทรกแซงจิตชนิดนี้ไม่ใช่อยู่ๆลอยฟ้ามาได้พวกเรารุ่นหลังๆ ล, ละเลยเรื่องสัมมาส ม, มาธิไปถ้าไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่สอนหอกจิตสิก ข, ขาก่อนจะถึงปัญญาสิก ข, ขาต้องเรียนจิตสิก ข, ขาก่อน เพื่อเราจะได้มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็ไปรู้รูปรู้นามเอาจิตที่มีสัมมาสมาธิไปรู้รูปนามนั่นแหละถึงจะเรียกว่าปัญญาสิกขารู้ไปแล้วจะได้อะไรรู้แล้วจะได้ปัญญาจะเห็นความจริงของรูปของนามว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรารู้แล้วเป็นอย่างไรอีกรู้แล้วก็ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้ได้โสดาบันรู้ลงไปอีกเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วน ละความยึดถือกายได้ได้พระอนาคารู้ลงไปอีกละความยึดถือจิตได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะคนอื่นหรอกเรียกตัวเองไม่เรียกอย่างนั้นหรอกมันไม่มีตัวมีตนอะไรที่จะเป็นอะไรก็จะอยู่กับความไม่มีไม่เป็นไม่ใช่อยู่กับความมีความเป็นฉะนั้นค่อยๆภาคเพียรนะค่อยๆฟังทำธร ร, ธรรมะเป็นของประณีตธรรมะไม่ใช่ของลึกลับ แต่เป็นของประณีตต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนใจเย็นๆยิ่งรีบร้อนอยากเรียนรู้เร็วยิ่งล้มเหลวต้องเนี้บเนีบ้บใจเย็นๆค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจหัดรู้ทันจิตใจที่เขาทํางานไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเกิดจิตสิกขาได้เราจะรู้ว่าอ๋อจิตชนิดนี้เรียกว่าจิตหลงไปหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัส ข, ของกาย หลงไปคิดหลงไปนึกหลงไปปรุงหลงไปแต่งหลงไปเพ่งพอเรารู้ทันนะจิตใจก็จะตื่นขึ้นมาไม่หลงจิตก็จะเป็นจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้หลงจิตที่เป็นผู้รู้คือจิตซึ่งมีสัมมาสมาธิห7เจ็ดมีนาคม2551ห้าิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสองในพระสูตรพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าผู้ปฏิบัติเหมือนชาวนามีงานหลักคืองานไถนางานหว่านข้าว พอข้าวงอกก็ต้องมีเรื่องต้องขาน้ำํำข้าวขาน้ําออกตอนนี้น้ําน้อยไปเอาน้ําเข้ามาตอนนี้น้ํามากไปเอาน้ําออกไปท่านบอกว่างานหลักก็มีเท่านี้แหละเสร็จแล้วพอถึงเวลาข้าวก็ออกรวงเองชาวนาไม่สามารถทําให้ข้าวออกรวงได้ชาวนาแค่ไปไถนาไปหวานข้าวไปเอาน้ําให้ต้นข้าวพอเหมาะพอควรท่านบอกงานของชาวนามีสามอย่างนี้ถ้าชาวนารุ่นนี้ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรด้วยใช่ไหมนี่มันห่างธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้น ทีนี้ชาวนามีงานสามอย่างเขาทำงานของเขาแล้วถึงเวลาข้าวก็ออกรวงผู้ปฏิบัติก็มีงานสามอย่างคือมีอธิตศีลสิกขาคือเรียนเรื่องศีลอธิตจิตสิกขาคือเรียนเรื่องจิตอธิปัญญาสิกขาคือเรียนเรื่องปัญญาปัญญาอันยิ่งศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งอันยิ่งยิ่งคืออะไรอันยิ่งก็คือสัมมานั่นเองสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิ ถ้าเป็นศีลธรรมดาสมาธิธรรมดาปัญญาธรรมดาไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจสามารถลดละกิเลสได้ก็ไม่เรียกว่าอันยิ่งหรอกพวกเราก็มีหน้าที่ศึกษานะรักษาศีลเอาไว้ตั้งใจงดเว้นบาปอากุศลทั้งหลายศึกษาเรื่องจิตของเราเองทําอย่างไรจิตของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตไม่ใช่แค่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหรือเป็นผู้เพ่ง ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มีจิตเป็นผู้เพ่งใช้ไม่ได้คนที่ไม่ปฏิบัติส่วนมากก็มีจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็ใช้ไม่ได้เราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้แล้วก็ศึกษาเรื่องวิธีเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาทำอย่างไรเราจะรู้กายตรงตามความเป็นจริงทำอย่างไรเราจะรู้จิตใจตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าเจริญปัญญา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 ถัดจากนั้นจิตเขาจะบรรลุมรรคผลของเขาเองเหมือนข้าวที่จะต้องออกรวงเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนไม่มีใครทําต้นข้าวให้ออกรวงได้ต้นข้าวมันทําของมันเองจิตนี้มันก็บรรลุของมันเองเมื่อเราสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสามอย่างนั้นคืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอ ธ, าอธิปัญญาสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาหรือศีลจิตปัญญา ถึงเวลาแล้วเขาจะผลิตดอกออกผลเองถึงวันที่เขาจะออกดอกออกผลบรรลุธรรมขึ้นมานี่ไม่รู้ล่วงหน้าหรอกคาดหวังไม่ได้หรอกฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำเหตุไปเรื่อยๆรักษาศีลเอาไว้ให้ดีอย่าให้ด่างพร้อยคนที่ศีลด่างพร้อยจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบฉะนั้นมีศีลเอาไว้ก็จะทาให้จิตใจสุขสงบสบายมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจได้ง่าย ฉะนั้นการเรียนเรื่องจิตตะศิขาไม่ใช่แค่ทำจิตให้สงบแต่มันคือการเรียนเรื่องจิตทีนี้เราจะเรียนเรื่องจิตได้ดีจิตต้องสงบเสีนหน่อยรักษาศีลเอาไว้จิตใจก็สงบจิตใจสงบเราก็ค่อยมาเรียนรู้จิตจิตอย่างนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนี้เป็นกุศลจิตชนิดนี้เป็นกุศลทั่วไปจิตชนิดนี้เป็นกุศลที่ใช้เจริญปัญญาไม่เหมือนกันจิตแต่ละดวงแต่ละดวงทาหน้าที่ต่างกัน จิตท er, ี่จะใช้เจริญปัญญาต้องเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดมหากุโสรจิตญาณนสัมปยุทธอสังขาริกังปิดเครื่องหมายคำพูดนี่ถ้พูดอย่างอภิธรรมนะยาวหน่อยถ้าจิตที่ใช้เจริญสมถะก็เป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดมหากุโสรจิตญาณนสัมปัญยุทธะสังขาริกปิดเครื่องหมายคำพูดวงเล็บเปิดมีปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งวงเล็บปิด ต้องโน้มน้อมให้เกิดฉะนั้นสมาธิและการจะเข้าฌานต่างๆต้องน้อมจิตไปมันถึงจะเข้าฉะนั้นเข้าฌานต้องน้อมไปไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่นะนี่จิตไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเรียนเรื่องจิตจนแจ่มแจ้งเราเอาจิตที่ควรทำสมาธะไปทำสมาธะเอาจิตที่ควรเจริญวิปัสสนาไปเจริญวิปัสสนามันก็จะได้ผลจิตที่ใช้เจริญวิปัสสนาเป็นจิตที่รู้ตัวขึ้นมามันตื่นขึ้นมา